ต่อจากนั้นก็ตั้งสติสำรวมใจเข้าไปภายในธรรมดาจิตใจคนเรานี่มันจะตั้งมั่นอยู่ได้โดยอาศัยสติสัมปะสัญญะเท่านี้แหละควบคุมไว้ถ้าขาดคุณธธรรมสองอย่างนี้แล้วจิตนี้จะตั้งมั่นอยู่ไม่ได้เลย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 มีแต่มันคิดลอยไปตามอำนาจของกิเลสปาประธรรมเท่านั้นแหละซึ่งมันจะไปคิดไปในเรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมาคิดไม่ได้เพราะเหตุ น, นั้นคนที่ขาดสติสมบัติชนะควบคุมจิตใจนี่จึงมักปรึเหลิวไหลไปไม่ตรงต่อศีลต่อธรรมไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับ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 คนมีสติสัมปชัญญะนั้นเป็นอย่างนั้น <c oughs> คนขาดคุณธรรมสองอย่างนี้ทําอะไรพูดอะไรก็มักจะทําไปตามอารมณ์ของขจิตใจสุดแล้วแต่ใจมันคิดได้อย่างไรก็ทําไปพูดไปผิดถูกไม่รับรู้อเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยอย่าไป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 ทางที่ไม่เป็นประโยชน์มันก็คิดเห็นได้ <c oughs> เป็นอย่างนั้นสมาหิโตยะ่าภูตังประชานาติ <c oughs> เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงนังนี้อันนี้เป็นพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ <c oughs> ลองพากันเอาไป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 ผู้ปฏีบัติมันต้องกลา่าต้องคลาไปเรื่อยๆนะว่าเมื่อเห็นตนบกพร่องตรงไหนแล้วก็พยายามอนอะพยายามบํารุงจิตใจของตนให้มันสูงขึ้นในเรื่องนั้นนะ่ะอย่าให้มันตกต่ําไปตามเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆหมดนั่นนะถ้ามันมองไม่เห็นความบกพร่องของตนลนะ่ะ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 ก็จะเป็นคนเจ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละล่ำไปพรามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเขามา ก, ก็าเสียใจไปดีใจไปเศร้าโศกไปเออธรรมดาคนที่ขาดสติควบคุมจิตใจล้วใจมันก็ต้องลอยไปตามกระแสของกิเลสนั่นนั น, นก็เลยต้องเป็นเจ้าทุกข์มากกว่าเจ้าสุขซะแล้วเพราะ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 ของตนแต่ละคนนะมีหน้าที่จะต้องควบคุมจิตของตนไว้ให้มั่นคงอย่าได้วันไว้ไปตามคำสรรเสริญอนินทาว่าร้ายต่างๆนั้นนี่หน้าที่ของเราแต่ละคนนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราสามารถควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อวันไว้ไปตามเรื่องราวต่างๆดังกล่าวมานั้น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 ว่าอย่างนั่นก็เพียงแต่โอนเอ็นไปนิดหน่อยขันเมื่อลมหายแล้วต้นไม้เท่านั้นก็ตั้งตรงอยู่ตามเดิมอันนี้ชั้นใจก็ให้กระทำจิตใจของตนให้เป็นอย่างนั้นค <c oughs> วบคุมจิตใจของตนฝึ ก, กจิตเนี่ยให้มันหนักแน่นให้มันเฉลียวฉลาดด้วยไม่ใช่หนักแน่นเฉย ให้มันฉเฉลียวฉลาดให้รู้จักอะไรเป็นอะไร <Ừ. S 1> การที่ใจมันจะฉะลาดได้ก็อย่างที่ว่านี่แหละมันก็มาฝึ ก, กจิตนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปให้มันสงบลงไปก่อนไม่เช่นนั้นแล้วความฉลาดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยจะไม่รู้แจ้งในทางผิดทางถูกได้เลยมันจะรู้ได้ยังไงเล่า พราาเมื่อมีอะไรกระทบเข้ามาจิตใจหว่นไหวไปแล้วอย่างนี้มันจะรู้อะไรได้ละ่ะลองคิดดูนะการที่ผู้ที่จะรู้แจ้งในทางผิดทางถูกได้ก็พอเมื่อเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วนี่มันกำหนดรู้ได้นี่มันกำหนดพิจารณาได้ว่าเรื่องนี้ผิดไม่ถูกไม่ควรยึดถือเอาไว้มันก็รู้ เมื่อมันรู้อย่างนั้นมันก็กาหนดละมันก็ไม่ยึดถือเอานี่แหละว่าเรื่องนี้ถูกถ้าทำตามอย่างนี้นี่มันจะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้มันก็กาหนดจดจำไว้แล้วก็ลงมือทำไปตามที่มองเห็นว่ามันถูกต้องนั้นเช่นนี้มันก็เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นจริงแลยเพราะตนได้กลั่นกรองด้วยปัญญาแล้ว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 มันก็เป็นอย่างนี้ทุกคน <c oughs> ถึงว่าผู้ที่จะปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ตามเมื่อมันไม่มีเหตุอะไรมากระทบกระทั่งเข้าไปมันกเฉยไปได้แต่ที่นี่เมื่อหากว่ามีเหตุอะไรกระทบเข้ามาแล้วอย่างนี้ <c oughs> นั่นแหละหากว่าขาดสติสัมบัตญะการควบคุมจิตขาดความเฉลียวฉลาดแล้ว จิตนี้มันก็วันไว้ไปตามเรื่องนั้นได้ทันทีเลยอ่มันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าได้ควบคุมจิตอยู่เป็นปกติอยู่เจริญไตรลักษณญาณให้เจมแจ้งอยู่ในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นร้วแต่ไม่เที่ยงนะสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมมีความแปรโวนแตกลับไปเป็นธรรมดาต่ความรู้ความเห็นอย่างนี้นะเราต้อง บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจเสมอเสมอเราต้องเจริญให้ยิ่งให้ความรู้อันนี้มันยิ่งขึ้นไปเสมอเออมื่อเช่นั้นแล้วมันก็จะต้องเห็นคนเป็นคนเห็นสัตว์เป็นสัตว์ไปตามสมมติของโลกเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วไปอยู่อย่างนั้นจิตก็วันไว้ไปตามสมมุติอยู่อย่างนั้นแหละเ อ, อ ถ้าว่าได้มาเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้มองเห็นความเกิดขึ้นแห่งสัพพสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองมันเกิดขึ้นแล้วก็แพร่วัแตกดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารอยู่ในโลกอันนี้นะบางคนก็อาจจะ คิดค้านอยู่เลยใจว่าอ้าวก็แผ่นดินทั้งแผ่นนี้ไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรไปอ่ะมันก็อยู่อย่างนี้มาตั้งแต่เกิดมาก็เห็นมาอยู่อย่างเนี้ยมันไม่เห็นพังทลายเป็นน้ำทะเลไปเลยอ่าบางคนก็อาจจะคิดไปอย่างนี้ก็ได้ค้านพุทธภาสิข้อนี้อ่ะอัน สรรพสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนี่นะบางอย่างก็มีอายุสั้นบางอย่างก็มีอายุยืนยาวนานนี่เราต้องพิจารณาให้มันเห็นเป็นขั้นตอนอย่างนี้อย่างในแผ่นดินอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าทรงแสดงบอกไว้แล้วแหละความไม่เที่ยงของแผ่นดินเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ อยู่ไปอยู่ไปนี่พอถึงการเวลาที่มันจะหมดอายุของผ่นดินเนี่ยมันจะมีพระอาทิตย์ขึ้นมาเป็นระยะระยะถึงเจ็ดดวงเน่เน่ยเริ่มมาดวงที่สองดวงที่สามเป็นระยะระยะกันไปพอถึงดวงที่เจ็ดแล้วก็เกิดไฟไม่โลกเลยอ่านี่แหละ ไม่แผ่นดินนี่แหละเป็นพัทธุรีไปเลยแล้ววันนี้มันก็ในที่สุดมันก็มาก่อตั้งขึ้นมาอีกเป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าแผ่นดินนี่มันจะเป็นอยู่ยนี่ตลอดไปไม่ใช่นะมันหมดอายุลงเป็นเหมือนกันแหละแต่ว่ามันมันอาศัยอายุยืนนานอย่างนี้นะ แต่ว่าถ้าเราเจ้พี่นาสวนย่อยแล้วมันไม่ยากลาบากอะไรอะ่ะมันก็เกิดมันก็พังกันอยู่เนี่ยแผ่นดินก็ดีไม่ใช่ว่ามันจะนั่นภูเขาสูงก็สูงฝนตกซาะไปซาะไปนอนก็พังลงมาอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าภูเขานเนี่ยมันจะสูงอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ใช่แดดเผาเข้า ฝนตกซอกเข้าไปเดี๋ยวก็พังลงมาใครอยากเห็นแล้วต้องปีนเขาไปดูก็ได้นนเนี่ยไไม่ใช่ว่ามันจะไปยั่งยืนอยู่งั้นตลอดไป <c oughs> นี่แหละอายุสังขารของคนและสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะเราก็เห็นกันอยู่ต้องจ้องแล้วนะถึงแม้จะอายุยืนอยู่ตั้งหมื่นปีก็ไม่พ้นตาย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 บางอย่างก็มีอายุสั้นดังกล่าวมาแล้วนั่นเลยสัตว์โลกก็เหมือนกันนะอย่างพวกมแมลงตัวเล็กๆเช่นยุงนนเนี่ยพวกเขานักวิทยาศาสตร์หรือเขาผู้สังเกตการแล้วมีอายุอยู่เจ็ดวันเท่า น, นั้นแหละมันก็ตายแต่แล้วมันก็เกิดเร็วสัตว์เหล่านี้นะเพียงนั้นเกิดตายเกิดตายอยู่งั้นแหละ เพราะฉะนั้นนะพระบรมศา ส, สดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธวิสัตว์นั้นพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นตามเป็นจริงดังกล่าวมานี่แล้วพิจารณาเอาจนวนเกิดความสังเวชสลดใจจึงจะได้ผล ถ้าพีนาไปเรื่อยๆ เ, เปลื่ยไปจิตใจก็เฉยเมยไม่ไม่มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรในความรู้สึกทางจิตใจเลยอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยได้ผลนะเมื่อพินาโดยเหตุโดยปัจจัยโดยอุบายแยบคายดังกล่าวมานั้นแล้วก็ลองมาพิจารณาถามใจตัวเองแล้ววัวการที่มาอาศัยอยู่ในโลกอันนี้นะ เป็นยังไงอมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์หรือว่ามีทุกข์มากกว่าสุขนี่เมื่อมาคํานวณลงในปัจจุบันนี้แล้วนะเราจะรู้ได้ได้ได้เลยแล้วว่ามันมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุขเลยการอาศัยอยู่ในโลกอันนี้นะหมายความว่าอาศัยอยู่ทั้งทั้งร่างกายแนละทาง จ, จิตใจใจก็ยึดถือเอาไว้ด้วยความหลงด้วยความอยาก อันส่วนร่างกายนี่ก็ถูกแล้วอาศัยปัจจัยสีก็จึงเป็นอยู่ได้ส่วนจิตใจนั่นก็อาศัยอวิชชาตันหาทำให้ใจยึดเกาะโลกอันนี้ไว้มเมื่อเป็นเช่นนี้นะมันเป็นสุขมากกว่าหรือเป็นทุกข์มากกว่ากันเราก็ต้องตอบตัวเองได้ทันทีเลยแหละมันต้องเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขแน่นอนนะ เพราะอะไรแล้วเพราะว่าความมุ่งหมายของดวงกิดนี่นะมันมุ่งหมายที่จะให้ตนนั้นมีความสุขสม่ำเสมอตลอดไปไม่อยากพบเลยกับความทุกขน์นี่นี่เป็นความมุ่งหมายของดวงกิดเนี่ยทีนี้แล้วมันก็ไม่ได้สมหวังอย่างที่ความรู้สึกนึกคิดของดวงกิจเนี่ย เ, ออเพราะฉะนั้นแหละมันถึงได้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข เป็นสุกกะสุกอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นแต่มีทุกนั้นเป็นเจ้าเรือนอยู่ในชีวิตอันประกอบไปได้วยความหลงนี้เว้นเสียแต่ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านเจริญสมถาวิปทานาแล้วท่านก็มารู้แจ้งโลกนี้ตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางความยึดความถือเสีย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 ทั้งเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดกว็าตามอแต่ว่าท่านละความยึดมั่นในอาการทั้งหลายดังกล่าวมานี้หมดแล้วภายในจิตใจของท่านเพราะฉะนั้นภายในจิตใจของพระอาราหันต์ทั้งหลายท่านจึงไม่เป็นทุกข์ <c oughs> เป็นทุกข์แต่ร่างกายเพราะมันไม่เที่ยงมัน แปรปวนไปนั่นะเป็นลักษณะแห่งความทุกข์ความยักย้ายผันแปรไปสุดโทมไปอันนั้นแหละเป็นลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายแต่และจิตของท่านผู้รู้ทั้งหลายที่อาศัยอยู่นั้นในนั้นหักไม่เปลี่ยนทุกข์ร่างกายแปรปวนไปตามสภาพของมันเท่านั้นเองซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ไม่รู้หรือว่ารู้บ้างไม่รู้บ้าง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 จิตตรงนี้มันก็มาหลงยึดมั่นอยู่ในขันห้านี่แหละว่าเป็นตัวเป็นตนนะเมื่อมันยึดขันห่านี่แล้วอย่างนี้มันก็ลามไปยึดสิ่งอื่นนอกขันห่านี้ออกไปยึดไว้ด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายยึดไว้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจพิไรลำพันต่างๆไม่ใช่มันยึดไว้เฉยๆนะยึดไว้ด้วยอาการดังกล่าวมานี่ ที น, นีถ้าหากว่าท่านผู้ใดอาศัยอยู่ขันห่านี้พิจารณารู้แจ้งทมเป็นจริงแล้วนั้นเมื่อขันห่านี่วิบวัตลงอก็ไม่เสียใจไม่ดีใจกับขันห่านี้อดได้ทนได้อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขันห่าอันนี้เช่นนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถือสิ่งภายนอกที่แวด้อมตัวเองอยู่นี่แหละ ไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเลยเพราะฉะนั้นอย่ว่าการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าในจึงสําคัญเป็นหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติธรรมจะพึ่งกําหนดพิจารณาเสมอเสมอพิจารณาไม่ท้อไม่ถอยมันก็เกิดความรู้ยิ่งขึ้นอันนี้นะ่ะเป็นผลที่พลอยได้นะถ้าหาว่าไม่มันพิจารณามันก็ไม่รู้ยิ่ง เมื่อมันไม่รู้ยิ่งมันก็ไม่คลายความยึดถือมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันรู้ยิ่งรู้แจ้งขึ้นไปเท่าไรมันก็คลายความยึดมัน่นถือมั่นไปเท่านั้นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นผู้ครองเรือก น, นบบก็ตามเป็นนักบวชก็ตามหละ ก็ให้ปล่อยวางขันห้าอันประกอบไปด้วยความโลภโกรธหลงนี่ให้ได้คือเมื่อมันความโลภจัดเกิดขึ้นแล้วมันใช้ขันห้านี่ไปทำบาปมีปาณาติบาตเป็นต้นดังเคยพูดมาบ่อยๆนั่นแหละเมื่อเรื่องไม่ดีหรือว่าใครทำไม่ดีต่ อ, อมันก็ใช้ขันห่านี่แสดงความโกรธ แสดงกิริยาหยาบคายต่อคนอื่นกล่าววาจาทิ่มแทงเสียดสีคนอื่นอย่างนี้แล้วเมื่อมันหลงมันเมาความสนุกสนานเพลิดเพลินในโลกขึ้นมามันก็ใช้ขันห้านี้แหละไปดื่มสุราเมลัยเครื่องดองของเมาของเสพติดไส่โทษต่างๆโดยเข้าใจว่าเมื่อได้บริโภคสิ่งเหล่านั้นแล้วจะมีความสุขสนุกสนาน นี่มันไอความยึดมัน่นถือมันในขันห้านีนะ่มันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายในที่นี้มุ่งหวังที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นพยายามปล่อยวางขันห้าอันสมอั น, อนประกอบไปด้วยความโลภโกรธหลงหนาแน่นอยู่ในจิตใจนี่นะ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 ถ้าว่าเป็นเคเรหัดอย่างนี้ไม่สามารถจะมาบวชได้ก็จะเป็นผู้พยายามรักษาศีลอุโบสถเดือนหนึ่งสี่โหนสี่ครั้งอย่างนี้แหละหรือว่ารักษาอโบสถศีลเป็นกําหนดเป็นช่วงๆจะแล้วแต่โอกาสจะอํานวยจะเป็นช่วงเกตวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งก็กําหนดเอาอย่างนี้แหละจึงได้เรียกว่าเป็นผู้